อิลลบดัลลอฮิลมุคลซอินอานี้ต้องการจะบอกว่าเบาวอลล็อเนี่ยที่ปลอดภัยจากการลงโทษในวันติยามะความจริงมันปลอดภัยตั้งแต่กูโบแล้ว อยู่บนดุนยาใบนี้ก็ประคองโลกใบนี้ให้มันเจริญก้าวหน้าเช่มั้ยน่ะแล้วก็พอตายไปแล้วอยู่ในกูโบก็ปลอดภัยฟื้นขึ้นมาในโลกอาคิร์ก็ปลอดภัยอีกเราก็กล่าวบอกว่าอิสลาอิบะดุลลอฮิลมุคลอซินนอกจากอิสลาแปลว่านอกจากอิบาบดัลลอฮ์เบาพวงเบาเป็นพระูพจท์นอิบะดมาจะอับดุอับดานในอิบดุล พวงเบาของอัลลอ์ที่มุคลอศินมุคลัสมุคลิสแปลว่าผู้สุจริตมั่นหมายถึงผู้ที่ศรัทธาในอัลลอ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเองคนที่ศรัทธาต่ออัลลอ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เรียกมุคลิส เนี่ยคนบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ในการทํางานศาสนาหรืออยู่ในศาสนานี้จะทําความดีอะไรก็ตามด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ทําเพื่ออย่างอื่นความจริงคนที่หลงวัตถุเนี่ยเขาก็ทํามันต้องการสี่อย่างนะบนโลกใดยาใบนี้นะก็ไม่ยอะแี่อย่างนี้แหละทำให้โลกพินาศนะนื่องเงินทําเพื่อเงินอันนี้อัลลอฮ์ไม่พอใจทําเพื่อชื่อเสียงตาแหน่งเกียรติยศ เงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศใช่ไหมก็ดจะมาดูสิแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกวันนี้ใช่ไหมเรามีนูน่นกลุ่มนูน่นกลุ่มนี้เดิ น, นปะท่วงกันอะไรกันก็เรื่องนี้นะเรื่องเกียรติยศตำแหน่งชื่อเสียงเงินใช่ไหมเน่ยทีนี้อเลาก็บอกว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาสแสวงหาความดีทําความดีตามที่ท่านอบียสอนเพื่อ อ, อัลลอฮ์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่หวังเลย พอทำดีเพือ่ออัลลอ์แ ล, ล้วอัลลอฮ์ก็ประทานริสกีให้งาห้ยนูนห้นี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปขอเ ล, ะละอละเลยอัลลอ์ให้เลยถ้าเป็นมุมินผู้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ์พอแล้วรับประคองหมดเลยลกับเรื่องอย่างอื่นอัลลอฮ์ประคองให้อ้าประคองมักกะไม่ให้คนศัตรูของอิสลามมาทำลายเรานึกภาพสิพวกไหนละพวกเยเมนใช่ม้มเ ม, เมื่อก่อนเด็กกษัตริยร์อะไร ฮะบะชาใช่ไหต้องการที่จะทําลายมักกะทําลายกาบานทาลายได้ไหมนี่อัลลอฮ์คุ้มครองอะและมุหมินอัลลอฮ์จะไม่คุ้มครองเสือคุ้มครองอัลอลอฮ์คุ้มครองมุหมินคุ้มครองผูงง้ ด, ดีมีหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานุทําความดีหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ AH, เท่านั้นไม่จะหวังอย่างอื่นเลยนะครับอิลลากับดอฺลอฮิลมุคลซิน นอกจากพวงเบาของอัลลอ์ผู้สุจริตมั่นในการศรัทธาและการงานของเขาจึงได้รับความสุขตอนอยู่บนดุญยานี้เราถูกดา่าเราให้อภัยนอนอยู่ในโกโบไม่มีอาลาบฟื้นขึ้นมาปลอดภัยจากการความโกลหลหอันใหญ่หลวงในทุ่ง ม, มาชัดไม่มีเราได้ปลอดภัยหมดเลยหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียว ผมมานั่งเช็คดูนะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอธิบายว่าคนที่หัวใจสะอาดบริสุทธิ์อยู่บนโลกดุญยาไปนี่แล้วก็ตายไปแล้วในวันเกียรมาเนี่ยมีอัลลอฮ์ให้ความดีส6บหกข้อนี่เป็นความร่วมหมดเลยไปนอนสอบห6ข้อครับข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์จะให้อุ ม, ม่านี่ประชาชาติอิสลามเนี่ยจเจริญเพราะ คนจนๆเพราะความบริสุทธิ์ใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยิ่งมุมลินมีประมาณเอาว่า 22,000 ล้านยัมาตอนนี้นะถ้า 2,000 ล้านนนั้นบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะโลกจะเจริญขึ้นคนจะรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดีเลยไม่ดีเนี่ยความบริสุทธิ์ใจทําให้โลกใบนี้จเจริญนะครับและคนที่ สร้างความเดืร้อนเอาไว้ก็ก็เห็นมาการลงโทษจากอัลลอฮ์ค่อยๆมาค่อยๆมาเอ า, อออ า, ออาอดูอเมริกาทหารที่ไปทําสงครามในประเทศอิรักเนี่ยวันนี้เกือบมาด่ารัฐบาลตัวเองแล้วเองหลอกฉันให้ไปตรวจอาวุธในใ น, นะในประเทศอิรักไปตรวจอาวุธแล้วไม่มีปรากฏว่าประชาชนตายเท่าไหร่ค่ะตายกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเองหลอกฉัน คลิปออกมาในว่านั่งฟังภาษาอังกฤษนะโอ้โหเห็นยาค่อยๆอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยไงคนที่ทําดีให้เห็นความดีของเขาที่ทําไว้ยิ่งใครทําความชั่วอัลลอฮ์จะให้เห็นที่ละน้อยละน้อยละน้อยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษแบบแบบนบีนวลนะน้ําท่วมน่ะอัลลอฮ์ไม่ลงอ่ะเพราะนบีขอทูลาอไว้อัลลอฮ์จะอย่าลงโทษเบาของฉันเบาอัลลอฮ์นี่แหละ ที่ทำความผิดอยู่ในอเมริกาในญี่ปุ่นแคนาดาฝรั่งเศสตราบใดที่ยังมีมุมินผู้ศรัทธาต่อแลละเดินตะวับแล้วขออนุญาตต่อแ์้วอย่าเพิ่งลงโทษเขาทำไมนบีขอไม่ให้ลงโทษต้องการจะให้คนที่ทำผิดนั่นสำนึกตัวดีไหมดีให้คนที่ทำผิดสำนึกตัวแล้วก็หันมาเรียนอิสลามก็วันนี้คนที่รับอิสลามเนี่ยเขาเรียน เรียนศาสนาพุทธมาแล้วเรียนคริสต์มาแล้วเรียนมาทุกอย่างพอมาเรียนอิสลามยอมจํานวนกันหมดเลยฉันอามั่นตุบิลเลอร์ฉันเชื่อถ้าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตผ่านศาสนาอิสลามตรงนั้นข้อที่หนึ่งอลัลลอฮ์จะให้อุ ม, มาณี้จเจริญข้อที่สองฟาวะก้อฮุมุลลอฮุชา ร, ร์ดาลิกา ล, ลิยามอัลลอฮ์จะคุ้มครองปกป้องเหตุการณ์ไร้ในวันกิยามะดีได้ไมด่ดีนี่ ความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวต่อรอดเรื่องที่สามอัลลอฮฺะจะให้อยู่อยู่ในตําแหน่งอันสูงส่งในโลกอาคือรอดอันที่สี่นะครับอัลลอฮฺะจะให้คนที่มีหัวใจสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้เดินหลงทางบนโลกดุริยาใบนี้เดินหลงทางนี่อร่อยนะมารู้สึกตัวด้วยเอลเราเอาต่อมาข้อที่ห้าเป็นเหตุให้เขาได้รับทางนําเพิ่มขึ้น เสียด้ากว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นทั้งน้ําเพิ่มขึ้นนะยิ่งดียิ่งอร่อย อ, อัลลอฮายิ่งดูขึ้นน้ำมาตะฮัดยุดยิ่งให้อภัยยิ่งบริจาคมันอยากจะทําความดีอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับต่อมาข้อที่หนะครับผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าต้องนึกใครม า, ราเาลก้าอัลลอฮ์รักคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์ข้อที่เจผู้ที่อยู่บนแผ่นดินใบนี้คนที่เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินใบนี้ จะรักคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์ได้หรือไม่ดีดข้อที่แปดจะได้รับการยกย่องจากประชาชนอประชาชนที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ด่าเราก็มีแต่ที่ยกย่องมีไหมมีเพราะหัวใจบริสุทธิ์เวลาเขาด่าเราเราด่าตอบไหมไม่ด่าตอบเพราะเราหัวใจบริสุทธิ์ต่ออารมณ์อ่ะเพราะเรารู้ว่าคนอยู่ในาศาสนานี้ถูกลังแกหมดใช่ไหมถูกรังแกอิสลามยิ่งแย่ลงเรื่อว่าจเริญขึ้น ยิ่งจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นต่อมาข้อที่ข้อที่9ความทุกข์ต่างๆถูกขจัดออกไปความทุกข์ถูกขจัดออกไปเรามีทุกข์อะไรบ้างพี่น้องแล้วก็บริสุทธิ์ใจต่อรอดในการน้มาดแค่น้ำมาดคู่ซ้ออย่างเดียวเนี่ยนะความทุกข์กระเพยที่อยู่ในใจจะค่อยๆถูกขจัดออกไปข้อที่10บพี่น้องครับจะพบกับความสุขในหัวใจของท่าน เขาด่าอะไรมาเขาตำหนิอะไรมาเขาต่อว่าอะไรมาใจไม่เดยทุกข์เท่าไหรมันก็มีทุกข์อยู่แป๊บนึงประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีเดี๋ยวมันก็หายแล้วนะครัมดูเลยแหละข้อที่สิบอดฮาบบะบายไลยกุมุลีอีมานหัวใจยาหูฟีกูลูเบกุมอลัลลอฮจะให้หัวใจของเขาเนี่ยถูกประดับประดาให้สวยงามด้วยอีมาน หัวใจสําคัญไปน้องหัวใจเต็มไปด้วย إ ي م านประดับประดาหัวใจมองเรื่อง إ ي م านเป็นเรื่องสวยงามนะครับข้อที่12นะครับพี่น้องจะมีเพื่อนฝูงคนที่มีความบริสุทธิ์ใจด้วยกันเนี่ยจะเข้ามาเป็นเพื่อนเราเพิ่มขึ้นทีละคนสองคนสามคนสี่คนอ๋อมีแค่สิบคนแล้วก็สบายใจเราจะไม่มาต้องเยอะนะนังมีเมียอ่ลูกเราเมียเราในอิมานเท่าเรา ยกย่องให้เกียตรติเราสบอาใจาใช่ไหมลูกเราทั้งหมดให้เกียตรติเรายกย่องเราญาติพี่น้องเร า, เรามีสักสิบคน5คนาาแล้วก็สบอาใจแล้วหลายมือลิลล่ไม่ต้องร้อยเป็นพันรหรอกต่อแม่ข้อที่13นะครับ <c oughs> สามารถอดทนอต่อความลําบากได้เนี่ยมุคลิสเนี่ยหัวใจบริสุทธิ์เนี่ ย, ยมีปัญหาเข้ามาเนี่ยสามารถอดทนได้ไหมโอ้โหผ่านสบายเลยข้อที่14ี่นะครับพี่น้อง จะตายในสภาพของคนที่มีอีมานเราเป็นหัวงริ่งตายมันต้องตายสง่างามตายดีข้อที่ส5บห้าดูอาของคนที่มุคลิสหัวใจบริสุทธิ์เป็นยังไงครับอลัลลอ์ตอบรับมักบูลไนลน์ตลอข้อที่สหวข้อสุดท้ายขณะนอนอยู่ในสุสานอยู่ในกูโบได้รับข่าวดีตลอดเลยเห็นรางวัลเห็นนู่นเห็นนี่ว่า ถ้าฟื้นขึ้นมาจากกูโบวเมื่อไรฉันจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็จะเป็นข่าวดีทั้งหมดเลยแล้วก็เห็นภาพสวรรค์ Allah, อัลลอบั์เนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ให้รางวัลล่วงหน้าก่อนเล่าให้ฟังนะเป็นข่าวดีใช่ไหมกี่เรื่องนะสิบหกเรื่องอัลฮัมดุลิลลอฮ์มัสยอัลลอฮ์ ต่อมาครับอายะจะสีมว่าล้ก็ด้นาดานูพุมฟ้าหนีอัมร์มุจิบุว่ล้ก็ด้นาดานูพุมฟ้าหนีอัมร์มุจิบุว่ล้ก็ด้นาดานูพุ ปัญญามันไม่ดีบุญคิดต้องเอาศัพย์ไปด้วยนะท่องศรัพท์ด้วยนาดานาเนี่ยแปลว่าได้ขอร้องเราได้ขออุทากับเรานาดานาแปลว่าขอดุทากอุทากตรงๆก็ได้หรือนาดาก็ได้ว่านาดาแปลว่าเรียกร้องหรือขอ ใครขอครับนบีนวฮนี่ขอดุทิต่อเราเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะนำเรื่องนบีนวฮมาเล่าให้จิบรีนให้จิบรีนนำเอามาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเพราะนาบีทํางานศาสนาถูกตําหนิถูกด่าถูกอว่าถูกต่อต้านจากญาติพี่น้องนบีหมดเลยนบีก็เสียใจอ่ะเพราะเสียใจอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ก็ เอาให้เยบรียนําเรื่องประวัตินบีนัวที่ถูกรังแกยังไงมาทํางานาศาสนานานกี่ ป, ปีรู้มก้ายห้าสิบปีในเรื่องของนบีนวัวมาเล่าให้นบีประมัดฟังพอนบีฟังปั๊บโอ้สบายใจอรอนบีสอนศาสนากี่ปียี่ามปีแต่ของนบีนัวเท่าไหร่ก้าวร้อห้าสิบปีมันเยอะกับฉันตั้งเยอะเนี่ย จะเป็นไงใจกำกำลังใจมาใช่ไหมม า, าม า, าม า, มาใช่ไหม <c oughs> นี่กุารานปลอบใจนบีและปลอบใจพวกเราด้วยวันนี้ใช่ไหมทีนี้เวลนานบีนัวขอขออุดมเรื่องอะไรในคุรานอธิบายในตับซิดอินนกะซิดอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าขออย่างนี้ครับรบบีลาตา อัลลลอรดิมินัลาฟิร ي ي ินดยารรบบล่รอัลอรดิมินัลาฟิรินดยารอซูรห์นยที่รับแปลว่าข้าแต่พระพุทธบาลของฉันโปรดญาได้ปล่อยผู้ใดในหมู่พวกเขาเหลือไว้สักคนหนึ่งอย่าปล่อยให้เหลือไว้นะ หลังจากสอนมาแล้วเท่าไร950ปีสอนทั้งกลางวันกลางคืนสอนเป็นจมาอสอนเป็นกลุ่มสอนคนเดียวโอโลทําสารพัดทุกอย่างแล้วยิ่งสอน <c oughs> ยิ่งดา่ายิ่งสอนยิ่งดา่ายิ่งสอนยิ่งตำหนิโอ้สารพัดผลสุดท้ายทนไม่ไหวโอโลจาาะละตาจัด อ, ลลอรัร์ยดายาได้า่ดาะว่ามีชีวิตเหลือล อ, อยู่อย่าให้คนที่ปฏิเสธเหลือชีวิตสักคนหนึ่งบนหน้าแผ่นดินนี้ขอตัวให้ทำลายขอตัาให้ทำลายแบบนนไหนดยอลัอลอลอเล่าเลยฉันจะให้เขาจมน้ำตายหนานมือเด็ดิ ตอน น, า น, น, า น, นั้นไอ้น้ำท่วมน้าท่วมเนี่ยพี่ต้องต้องนึกมนกันนาะพอน้ําท่วมในเมืองไทยจะเป็นที่ไหนก็ตามในโลกนี้ต้องนึกแสดงว่าประวัติซ้ํารอยเหมือนใครเหมือนสมยัยนบีโนอาเลฮิลสลาห์ติทรยศต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมแต่นบีไม่เคยขออุทธรณ์ลายนะแต่อัลลอฮ์ก็เล่นงานบ้างนานๆเล่นทีใช่ไหมให้น้ําท่วมแล้วก็มีการตายเกิดขึ้น สังเกตน บ, บีนูศ์มา่อคี่ปีเก้าร้อยห้าสิปีเมียเชื่อไหมไม่เชื่อลูกเชื่อไหมไม่เชื่อเห็นยังครับดังนั้นคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยต้องนึกเยอะนะที่นิมพรรยาที่เชื่อเราวันนี้ทมดูดิเลยขอบคุณเาล้อจริงๆลูกเราไม่อยู่สองสามคนอิมนานต่ออัลลอฮ์หมเลยทำดูดิเลยอย่าตะกับบดนะกูแน่ยานะ ที่อัลลอ์ให้นะมาดูลูกนาบีนวัวเอานาบีนวบวัวเปล่าไม่เอาภรยาเอาเปล่าแล้เราทำไมอลัลลอฮ์ให้อะต้องนึกตรงนี้ด้วยขอบยาตะการบุตรยาเยอะเยงกูแน่ยานะต้องอมตนต้องนอบน้อมต้องหมั่นขอดุอ่อตอบว่าอัลลอฮ์จ่าอยาให้ภรยาฉันนี่เป็นค น, นที่รยศต่อฉันนะ่ะให้ยู่จนกระทั่งตายอ่ะลูกฉันก็ต้องตายะใช่ไหมต้องอยุ่ยในอิสลามให้เกนกว่าจะตาย ต้องนึกเยอะไปน้องอย่าอร่อยกับดุนยาเยอะเลยไปน้องใช้ชีวิตแล้วก็มองเอาตัวอย่างนาบีเนี่ยเอามานึกบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าคนอูลิลอาลบาบคนฉลาดไม่ใช่คนโง่คนโง่ไม่คิดถึงนบีคนใดเลยเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยภาวนาฟูหมดเลยเดินอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยตามอารมณ์ตัวเองนะครับนบีนบีนัวขอตุอาให้น้ำท่วม ให้ให้ให้ทำลายนะเลาบอกว่าฉันจะให้น้ําท่วมก่อนน้ําท่วมเม่ยคุณไปปลูกปลูกให้ปลูกต้นไม้ก่อนเห้นยังครับปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาต้นไม้มาทำร้ายมาปานทําเรือ<ม>ใช่ไหมเป็นขั้นต่อนี่สอนอะไรยเยอะนะถึงได่เก้าร้อยห้าสิบปีนะเจ๊ไหมปลูกต้นไม้ก็สักยี่สิบปีมันก็โตลไไนะแล้วยังไม่น่ะเราก็ตัดมามาต่อเรือแล้ว่างต่อเรือกระดาษนัว จะเอาเรือไปวิ่งที่ไหนเพราะมหาสมุทรไม่มีทะเลไม่เคยเห็นน่ะเห็นไหมน่ะสมัยหมนมีไหมมีอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้จะสมัยโกรธจะมีู้ว่าสมัยไหนแล้วอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าเรือเรือ่ไม่อไม่มีไม่มีเรือแต่อลอดเนี่ยสร้างเรือให้ยิบรีนมาเป็นดายรัเตอร์เลยเอาสร้างแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นบีก็สร้างก็รอเลื่อยไม้ด้วยตัดต้นไม้ด้วยเหนื่อยไหมเหนื่อยจนนั้นคนที่สร้างเรือคนแรกคือนบี นัวอะไรฮิสลามต้อนึกแล้วที่ฝรั่งฝรั่งต่อเรือวันนี้น่ะเดินตามใครยัไปคุยเตะถ้าว่าฉันเก่งฉันแน่เองทรยศต่อลอนอ่ะที่ไ้นามช่วงเพื่อต้องการที่จะขจัดโลกใบนี้ให้เหลือแต่คนดีเนี่ยโลกวันนี้ถ้ามีคนดีอยู่เนี่ยน่าอยู่ไหมเหมือนอยู่ใ น, นสวรรค์เลยนะ่ะ ถ้าโลกใบนี้คนชั่วไม่มีมีแต่คนดีน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่อัลลอฮฺว่ากันวรื่องที่สองที่ให้น้ําท่วมที่ทรมานให้จมให้ตายหมดเนี่ยเรียกูน้นไวบรอันเพื่อให้เป็นอุทาหารณ์เป็นข้อเตือนใจให้กับคนรุ่นหลังอย่างรุ่นพวกเราวันนี้ที่อ่านประวัติศาสตร์ในปีโนเรื่องน้าท่วมเนี่ยได้ข้อคิดเยอะเลยนะครับเอาต่อมาครับ วันเจยนั้นว่าอัลลอฮฺมินอัลารบิล عظ ิมวันเจยนั้นว่าอัลลอฮฺมินอัลรบิล عظ ิมลืมอธิบายนิดหนึ่งนบีมุฮัมมัดเมื่ออ่านมาถึงอายะที่เจ็ส้าเนี่ยอายะที่ผ่านมาเนี่ย والقد นาดาน ا น و ح فلنع من المجبود นบีอันอายนี้ด้วยนะตอนบีชีวิตอยู่นะอ่านที่บ้านและยืนนมาตะฮัจยุดธหนอนคกุรอานนั่งอ่านละอ่านอายนี้ผมมาอ่านอายนี้ปับนบีหยุดนบีขวาว่าท่านหญอัชาเล่าเองนะครับนบีกล่าวขออุทิศบาวอัลล์เนี่ยพูดจริง อัลเล่าเรื่องนบีนัวเป็นเรื่องจริงนบีพูดอย่างงี้แล้วเรื่องจริงขอบคุณอัลลอฮ์เห็นไหมเราก็เอาอัากษรนบีมาใช่มาอ่านอายนี่ต้องนึกเออใช่นบีนัวเนี่ยเรื่องจริงนบีขอตัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยฉันกลั ว, ลวอัลลอฮ์แล้วเห็นไหมเนี่ยข้อคิดเราเนี่ยเอามาเก็บบ้านในตัวเร า, เ อ, าอ่านคุณอ่านอาย่ายนี่นบี เพราะว่าตเลาลอที่ทำทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหมดเลยที่เล่ามาเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับวานาจายนะหูอาฮ์ลาหูมินัลคาร์บิลอัลฮิมคำแปลนะครับนัจจายนาหูแปลว่าเราได้ช่วยเขาช่วยใครช่วยนัวอะลัยฮิสสลามช่วยนบีนัวว่าฮ์ลาหู อาลหูเนี่ยสับเดิมแปลว่าครอบครัวภรรยาลูกๆเข้าใจนะแต่ตรงนี้แปลว่าภรรยาไม่ได้ต้องแปลว่าอะไรนะผู้ที่ศรัทธาต่อนบีนุห์ไม่ใช่ภรรยาเพราะภรรยาเอาไปภรรยาไม่อิมานใช่ไหมนะ่ะแ่อาจะรย์จะแปลว่าอ้าลหูเป็นภรรยานี่ไม่ได้ต้องแปลว่าอะไรนะผู้ที่ศรัทธาต่อนบีนุ่ห์ในยุคนั้น ว่าอัลลอฮุมินัลกัรบุลอาลีก็แปลว่าพวกพ้องของพวกเขามินัลกัรกัรบุลแปลว่าความทุกข์กัรบุลความทุกข์อาลีมแปลว่าอันมหาหความทุกข์อันมหาหอัลลอฮ์ได้คุ้มครองให้ปลอดภัยตัวนบีนวัวเองและแล้วก็พักพวกของเขาให้ปลอดภัยจากการจมน้ำสบาย แค่นี้พร อ, อายอัญญาติได้ไดข้อเตือนใจนะที่เราไม่มีปัญหาเดือดร้อนวันนี้นะใครคุ้มครองต้องนึกเอาล้อให้ทั้งหมดนะที่ออกจากบ้านเราเนี่ยมามาสุโบที่มัสยิดได้ขับรถมาไม่มีอุปสรรคเลยนะใครให้อะฉันขับรถเก่งนากดูเลยพูดผิดทั้งวันเนี่ยเรา เมตตาคุณนะฮะอะไรคุณขับรถมามาถึงมัสยิดได้อะลงจากรถแล้วอ่านดูอาฮัด้วยเข้ามาสัสยิดนี่ใครให้อะแล้วก็แนวทางอันนี้คุณมาจากไหนอ่ะธรรมดาคุณขับรถก็อ่านดูอัฮัุอาไม่เป็นเข้าโซลูวกว็อ่านดูอัฮัาไม่เป็นให้อภัยคุณแล้วคุณเอาแนวความคิดเหล่านี้เอามาจากไหนถ้าไม่คิดถึงอัลลอฮ์ไม่คิดถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยคุณไม่มีความสามารถไม่รู้ระสักอยานะจะนอนก็นอนไม่เป็น จะเข้าของน้ำกว่าเข้าไม่เป็นให้อภัยคนก็ไม่เป็นมิตรดาเป็นอย่างเดียวเราในงานเตือนใจเราอัลลอฮ์เนี่ยคุ้มครองนบีนวลแล้วก็พวกพ้องของนบีนวไม่ให้จมน้ำตายเพราะอะไรเพราะอิมุคลิสเพราะอีมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวุฒานะแลนะครับในสุรอัมบียอธิบายบอกว่า วะนูฮันอีสนาดะมิงกับลูฟัสตเจบนาล لهو ฟนัดเจ ينا وهوألهو من الكربلاء ดังนั้นเราเลึกถึงเมื่อเรื่องราวของนบีนัวเมื่อนบีนัวได้เรียกหรือขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นเราได้ตอบสนอง นะครับคคดูอาคอาขาวร้องของนบีนัวโดยให้ต่อเรือและเราได้ช่วยเขานะครับให้รอดจากการทรมานจากการลงโทษอันยิ่งใหญ่บนโลกดุนยาใบนี้อาคิรอกก็ปลอดภัยด้วยนะครับเอาต่อมาอยายุที่เจสบเจ็ด ว่าจงนาแปลว่าเราได้ทำ ซุริยตาหูลูกหลานของเขาลูกหลานของนบีนุฮนะันเราได้ให้ลูกหลานของนบีนุฮหูมุลบากูลยังคงมีชีวิตอยู่เหลืออยู่ไม่ตายหมดน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยตายไม่หมดยังมีเหลืออยู่บาตีนแปลว่าเหลืออยู่ วจอนนรียาตหูุมุลบาีแลเราได้ให้ลูกหลานของเขายังคงมีชีวิตเหลืออยู่ใครบ้างที่เหลืออยู่ลูกนบีนวล ม, มีอยู่สามคนที่ขึ้นเรือมีอะไรบ้างในฮะดิษท่านซาบุรออิบนะกะซีอธิบายอย่างนี้นะครับมี3าม ชือสามนะซีนอลิมมีแล้วก็ฮารมแล้วก็ยาฟิส เ, เราเรียนมาแล้วเนี่ยนะฮารมสามยาฟิสสามคนแล้วก็นวอีกคนหนึ่งเป็นสีแล้วก็มีผู้หญิงอีกสี่คนอีกผม อ, ผมอ่านในตับเซตผมเจออรออ่านเมื่อคืนเนี่ยมีผู้หญิงอีกสี่คนที่ขึ้นเรือเนี่ยนะ แล้วก็ไม่ตายนะมีอุสีคนนิสวร์แปลว่าผู้หญิงจะเป็นลูกหลานหรือเปล่าวันร้องอันลัมคนเรามีผู้หญิงสี่คนผู้ชายสี่คนผู้ชายสี่มีใครบ้างนวกคนหนึ่งและลูกอสามคนแล้วมีผู้หญิ ง, ง, นนงลลอีกสีค่คนหลังจะหลังจะจมน้ามาแล้วคงจะแต่งงานกับชุนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนึกเอาเองนะวันเราวันวเราเอาแค่นี้พอนะ ทีนี้ซามเนี่ยลูกลูกของซามมีแค่นคนคนอาหรับอ า, อาหรับวันเนี้ยที่เหลืออยู่นี่นะเป็นลูกหลานของซามแล้วก็พวกเปอร์เซียที่ลูกหลานของซามลูกนบีนะัะส่วนฮามเนี่ยพวกซูซูดานพวกนิโครซูดานนะี่ยนะเพเห็นภาพาไปแล้วแหะคนผิวดาวทั้งหมดนะลูกนบีนวัวจากจากฮาม นะครับแล้วก็ยาฟิสเนี่ยพวกตุรกียายุทมายุทที่จะมาทะเลาะกันใกล้ๆวันเกียวมานเนี่ยของช่วยลูกหลานย า, ยาฟิสมายาฟิสนะครับ <S <S ทำดุริเลตัวลงมาตายหมดไม้ตายมหมดยังมีคนเหลืออยู่นี่ไลเราเล่าด้วยความเมตตานะเล่าให้มวัาหมัดฟังให้พวกเราฟังถ้าเอาตายหมดนะนไม่มีใครเหลื อ, อยาหัวโลกใบนี้นี่ประคองเอาไว้ไม่ให้หมดเพื่อจะให้มา ดูแลโลกใบนี้ต่อไปเอาต่อมาอายาที่เจดปว่าะรักษาอะไฟิลอาครินว่าะรักาอะฟิลอาครินว่ะรักษาอะฟิลอาครินตกนาตา้าไม่ว่าเราได้ทิ้ง คขาว่าที่นี้มาให้เหลืออยู่ให้เก็บเอาไว้เอาลอดได้ได้เก็บเอาไว้นะให้กิตติคุณมาที่มีคนเลื่องลือมีคนพูดถึงตารอกนาเนี่ยเราได้ให้ประชาชนอาคิรีนคนรุ่นหลังได้พูดถึงนบีนูฮ์เราได้เก็บเรื่องราวของนบีนูฮ์เอาไว้ ให้คนรุ่นหลังได้พูดถึงแล้วจริงไหมนี่เรากําลังพูดถึงนบีนัวอะลัยฮิสซาลามกำลังนี่อหากักี่ปีอะนบีนัวกระดับอิบรอฮิมนับพันปีนบีมุฮัมมัดกับเราเนี่พันปีกี่พันโอ้หลายพันปีเรื่องเมื่อหลายพันปีทีละ ว, วันนี้เราพูดนึกถึงพูดถึงความดีของนบีนัวอะลัยฮิสซลามอยู่ ที่เรื่องจริงหมดเลยวตารกนาอะไฟิลอาคิรินและเราได้ละไว้แก่นัวในชนรุ่นหลังได้จดจำและยกย่องให้เกียรติพูดในทางที่ดีกับนบีนัวและอะไรนะพวกพ้องของเขา คำว่าวัตรโะะรคนาอาไลฟิลอาครีมีอยู่สีครั้งน ะ, ะนคนัพิโคลอานหยุดแม้ซลสโซฟาตหมดเลยนั่งเช็ควตรคนาอะฟิลอาครี้องท่องจำเลยนะและเราได้ละไว้แกนวให้คนรุ่นหลังได้จดจาและยกย่องพูดสี่ครั้ง ว่าตรอกกนะันอะไรฟิลคือเกิดในสุรสซอฟาร์นีอายาที่อายานี้อายาที่หนึ่งร้อย่งร้อยสิบเพูดเบือ้องเปนหมดเลยนะ4ครั้งด้วยกันในตับซีดอธิบายบอกว่าชื่อของนบีนวล์ที่เก็บเอาไว้เนีน่ยให้พูดในทางที่ดีอย่าจะด่นานบีนวล์ไม่ได้นะคนที่ด่าได้ก็มีอาบุล้วับใช่ไหม ต บ, บัดยาดาอบิลาบิวะตบนั่นว่าไปเลยบอเราสังอยู่นะครับเบุ้องารแต่เรื่องน บ, บีนวเนี่ยยับซ้ำนี่เขาไม่ได้เลยนะเขาทํางานศาสนาแล้วก็ปกป้องศาสนาก็ เ, าเชิญชวนคนสู่ศาสนาด่าเขาได้ยังไงอ่ะไม่มีใครก็ด่าไม่มีใครตําหนิน บ, บีนวสักคนหนึ่งนะแล้วก็ น บ, บีบรรดา น, น บ, บีทั้งหมดเนี่ยพูดแต่เรื่องจริงหมดเลยไม่มีใครพูดเรื่องโกหกไม่มีนะครับแล้วก็ความสันติจะเกิดขึ้นกับบรรดา น, น บ, บีทั้งหมดในโลกนี้นะครับอายาที่79็ดสาลมุนอาลานูฮิมฟิลอาลามีสเลมุนอาลานูฮิมฟิลอาลามี สลาม m แปลว่าสาันติอาลานลโนอาอโลนี่ชมนนะช ม, า, มนานัะใช่นไหมส alam บนอาลาโนอาขอความสันติจงประสบแด่โนอาอัลาญุสา l a m ฟิลอาลามีในหมู่ปรชาชนทั้งหลายเห็นไหมนี่ยกย่องนบีเนี่ยรางวัลนีม้ม่มีเราพูดเรื่องดีของคนอื่นเรามีรางวัลมั้ยมีท่าดาลราเราเริยขอด เก็บคําด่าหมดเลยไปโชว์ในวันเตียมาหนู่นะจงบิดพิตนจะนั้นอย่าไปตําหนิใครไปน้องครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวไน่นองขอด้ว่าอย่าไปตําหนิอืมนบีน่าจะตําหนิจะไหมเมืองต่ออิฟใช่ไหมเราต้องเน้นเรื่องอย่างนี้บ่อยๆให้เราได้นึกว่านาบีเนี่ยไปเมืองต่ออิฟไปทํางานศาสนาถูกถูกด่าใช่มไหมกี่เรื่องถูกด่าถูกไล่ถูกไล่ถูกคว้างด้วยเห็น น บ, บีขอมาาสาบแช่งปะเหมือนกันไม่สาบแช่งใครเลยอนะ่ะนี่ถ้าเป็นเราเนี่ยาศาสนาไม่เรียนเนี่ยเราเอาเรื่องนะแต่น บ, บี ม, มุ hammad ทำเป็นแบบเอาไว้ให้อภัยหมดเลยแล้วลูกหลานของเมืองตออิฟวันนี้นี่เป็นความรู้หนะนึ่งก็เอาไปใช้เลยนะลูกหลานคนอละอาเลมอุลมามะในเมืองตออิฟวันนี้นะเขาขออุอาต่ออัลลอฮ์อัอลลอฮ์จะอภัยโทษ ให้ปู่ย่าตายายฉันในยุคนู้นนะที่เอาเหินคว้างนาบีที่ดา น, นาบีที่ไล่นบีนําเสียใจอะ่ะนี่ลูกหลานคนนี้ศาสนาเขาเขากลัวคนหมดนะดันั้นอเราต้องนึกนะปู่ย่าตายายเราที่เป็นคนดีมีไหมมีที่คนไม่ดีมีไหมนี่ะดังนั้นลูกหลานเราวันนี้นะไม่ใช่ว่าฉันจะต้องเชื่อโต๊ะฉันแชร์ฉันที่ทํำมาไว้อะ่ะ เขาดา่าเขาทะเลาะกันฉันต้องเจริญรอยตามเรื่องดาดาเนี่ยขายบอกคุณละ่ะทำไมไม่เอาอัคราของคุณรุ่นใหม่เนี่ยละ่ะฉันขอดูอาต่อรอให้อภัยโยโทษในความผิดของโต๊ะฉันแช่ฉันเมื่อร้อยปีที่แล้วน่ะที่เขาทำอะไรไว้บนโลกดุยาเบนี้ไม่ดีไม่ดีใช่ไหมเขาข อ, อาต้องอาต่อรอสิให้อลารอได้อภัยโยโทษในความผิดไม่ใช่ไปฉันจะต้องเจริญรอยตามปู่ย่าตายายฉันในทางที่มัน ที่มันผิดๆอย่าทาพี่น้องครับเรามีปัญญามีสติปัญญาแล้วนะครับต่อมาครับกลัวว่าสันติแด่นา บ, บีนัวในหมู่ประชาชาติทั้งหลายอินนะกะดาริกะเนจิลมุฮซินิน อินนากะดะลิกนจจิิลมุฮซินีนอัลลอฮ์ Allah, ดีมากพี่น้องครับเนี่ยเราได้ด้วยแน่แท้อินนาแปลว่าแน่แท้กะดะลิกในทานองนั้นในทานองเดียวกันนจจีเราตอบแทนอัลมุฮซินีนผู้ที่ทำดีทั้งหลาย นบีนัวทำดีหรือทำารรมไม่ดีทำดีอลัลลอฮ์ตอบแทนให้ใช่ั้มคนชมตายไปแล้วตอไม่รู้กี่หมืน่นกี่พันปียังมีคนชมอยู่แล้วก็คนที่ทำความดีเหมือนนบีนัวเหมือนนบีมุฮัมมัดเหมือนนบีอิบราฮิเหมือนนบียูซุฟอซาอิยาสคนทำความดีในงานของอลัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยนะอลัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเหมือนกันสบายใจไหม ทำอยู illah, mm ่น่ละแล้วกลัวอะไรเพื่นอถ้าจะถูกแทงแบบไซนาอูมัดกำลังยืนนมาอยู่น่ะพวกอะไรเนี่ยอิหร่านเนี่ยสู้ศัตรูไปอยู่นั้นหลายปีอ่ะที่ล้วก็ัไปแทงเขากันน่ะตายอะไรตายเสีิดถ้าเราจะถูกแทงแเราตายเีหิดต้องมีตัวอย่างน่ะพอไซนาอมัดขอมาอย่างนี้ อังกุณบาววันสู่ที่แล้วนะอัลลอุมมัดุุกนะอัลลอฮุมมัดุุกนี่หาด د ตันฟีซาบีลิกโออัลลอฮ์ประทานริสตีให้เจฉันให้ฉันตายช ه ي د ในหนทางของท่านขอ ง, ข อ, ง, อ, งอัลลอฮ์พอขอมาใช่ไอัลลอฮ์ก็ให้ง ใ, ให้คนมาแต่ตายช ه ي กำลังยืนนมาซุบุบเรอกะอัดที่สองเริ่มอานซุรออยูซุฟ กำลังอานได้ได้ทั้งสองสามย่างมาแทงเลยแต่ซอาบาตาวนั่นอ่ะสามสี่คนแล้วตัวเองเด็กคนนั้นอ่ะแทง ต, ตัวเองตายด้วยแล้วมีคเป็นต้นฉะนัน้นมุสลิมถูกรังแกบนโลกใบนี้ถ้าเราใจอิคลาสบริสุทธิ์ก็เรียกว่าตายอะไรตายชห ي ีไม่กลัวอะไรเอาต่อมาครับ อินนากะซลิกะนจิลมุซินีนแน่แท้ในทํานองเดียวกันเราตอบแทนผู้ทำความดีทั้งหลายกุณอ่านอธิบายกุณอ่านผมพยายามเช็คกุณอ่านนะครับว่าคนที่ทำความดีนี่อยากจะเล่ามีอะไรบ้างหนึ่งคนที่กาวีมีนลอยคนที่อดทนอดกลั้นต่อความโกรธเป็นความดีทำเถอะ อดทนอดกลั้นเวลาโมโหวเวลาโกรธเนี่ยอย่าแสดง อ, อ, อ, อ, อาการนะ ถ, ถือมีดถือไม้โว้วิ่งฆ่าคนนั้นยิงคนนี้อย่าทำการะมีนึ่งร้ยคนที่อดกลั้นอดทนเวลาโมโหวเวลาโกรธกับใครก็ตามแต่น บ, บีสัง่งยิ่งมีปัญหากับครอบครัวใครนิ่งก่อนสามีนิ่งก่อนทาได้เปล่า ถ้าไม่เรียนหะดิษไม่อ่านฮะดิษไม่ไม่รู้เป็นอย่างครับวันากิมีงิรอยวัลลาฟรีนานนีแล้วก็ให้อภัยกับประชาชนเวลาถูกตำหนิถูกด่าถูกน้่นถูกนี่มาให้อภัยให้หมดไปน้องนี่แหละเป็นวัละหูให้บุญวะสิ่ินีลเรารักคนทำความดีต่อมาครับคนที่ ที่ Allah ชวนกระพื่อมกานนบรรดานบีทั้งหมดที่เอ่ยชื่อก็มือดาวูดอะไรฮิสลามนบีไลมานนบีอายุบยูซุฟมูซาฮารูนวกกาซาเรกกนาจิลมุฮซินีละคนทําความดีเหมือนนบียูซุฟเหมือนนบีโซไลมานนบีดาวูดนบีอายุบนบีมูซาฮารูนเนี่ยก็ได้รางวัลตอบแทนจาก Allah เหมือนกันแล้วครัวอะไรเอาต่อมาครับ วอินไม่ตัวบ uh ิอ่ไยบผู้พิสูนใครที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์คือประคองตัวเองไม่ทำบาปเนี่ยแล้วก็มีสบัิอดทนสูงสูงเนี่ยนะอัลลอ์จะไม่ทำลายความดีข<ๆ>องเขาเขาเรียริสกีไม่หมดอายุริสกีไม่หมดอายุมีตักวาประคองตัวเอาไว้แล้วก็อดทนเวลาถูกทำแก่ถูกนู่นถูกนี่ เงินทองน้อยดีวน้องต้องอดทนหมดเลยอ่ะขอยืมเพื่อนเพื่อนก็ไม่ให้ว่าของเราอย่าม่ได้ใช่ ย, ยกตัวอย่าง่ายไงต้องอดทนหมดเลยอย่างนี้ อ, อัลลอฮเก็บรางวัลเอาไว้ไม่หมดอายุเอาไปใช้หลังตายเอาไปใช้ในโลกหาือก้อนได้ด้วยเอาต่อมากับอายาที่ปิอดอินนหูมิงไอบะดินัลมุมีนน อิน ahu ม uh uh <LGBTQ> ิ่งอิบบัดินะลูบินินอน ahu มิ่งอิบบัดินะลูบินนี่กำลังพูดเรื่องนบีนว่านะอัลละฮ์ชมนบีนว่านะกเพียงคนอ่านให้นบีมุฮัมมัดฟังแล้วก็ให้พวกเราฟังด้วยว่าอินน ahu แท้จริงนวห์มบบนะ เป็นปวงเบาของของเราคนหนึ่งที่เป็นมุมินีที่เป็นผู้ศรัทธายอมจำนวนตนต่ออัลลอฮโดยสิ้นเชิงคุณทำงานาศาสนาเห็อยังครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับต่อเรือก่็เหนื่อยอะไรก็เหนื่อยหมดเมียก็ไม่เชื่อก็เสียใจลูกไม่เชื่อก็เสียใจเห็นไหม เหนื่อยหมดเลยไป่นองเครียดนะแต่ว่าอดทนในการทำงานาศาสนาไม่หยุดยืนหยัดในาศาสนาจนกว่าจะตายอัลลอฮ์ชมอินนหูคนประเภทนี้แท้จริงวะเนี่ยมินไนบาดีนัลมุมินีนอยู่ในปวงเบาเป็นผู้ศรัทธาของเราอันแท้จริงสง่างไหมอัลลอห์บักรา นเรียนกูนอานมีสาระใจแบบนี้นะถ้าเราประคองตัวเองให้ดีมีตักวันมียาตีนมียาสารมีอิคลาสรับส า, าระธรอ่านกูนอ่านจิกรล้อบริจาคสม่ําเสมอติดต่อกับเครือญาติขอดูอานจิกรล้อซ้ำทำเป็นคนดีให้หมดรางวัลแน่นอนครับเพราะเรามีแบบอย่างที่ดีคือนบีมุฮัมมัดสุลตัลัมสอนเราทุกเรื่องเลยเรืเ่องทะเลาะ ก, กันในบ้านในใครเงียบนะให้สามีเงียบอัลลอฮ์เห็นยัง ถ้าเราไม่ฟังศาสนาเลยเนี่ยเราก็นึกอ่ะฉันสามีหาเงินสร้างบ้านอะไรจะอะไรมารอโโปกป้องปัญภัยอันตรายต่างๆเวลาไม่อทะเลาะกันเฉียงๆกันให้ใครเงียบก่อนให้สามีเงียบมันต้องภรรยาเงียบก่อนใช่ไหมตามตามความรู้สึกของเรานะถ้าไม่ผ่านวาฮีเนี่ยที่ผ่านวาฮีทำ ง, งานตรงเันทั้งหมดเลยสามีนึ่ไปอ๋อหังไปนะ คำด้เลยนะขอบคุณ a l l ไปเลทีนี้คำว่ามุมินีนนี่นะอินนหูมินอิบาดินัลมุมินีแท้จริงนวานาะเป็นพวงเบาผู้ศรัทธาของเราเนี่ยผู้ศรัทธาต่ออ l l a h เนี่ย a l l ช่วยอะไรผมอ่านจากกุรอานกุรอานอักุ ร, ากราอานอธิบายกันเองนะมีประมาณเอาสัก9้าข้อนะข้อที่หนึ่งคนมุมินทาอะไรผิดเตาบา a ล l a h รับเลย เอาดีเดยไ่ดีเรื่องที่สองได้รับแต่ข่าวดีข่าวดีข่าวตอนตอนนอนอยู่ในกูโบน่ะข่าวดีข่าวดีข่าวดีข่าวดีอยู่บนดุนยานี้ก็มาการพีน้องข่าวที่มาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีข่าวไม่ดีกว่ามีแต่ว่าข่าวดีเ็นส่วนใหญ่จะมาเรื่องที่สามเพียน้องครับอัลลอฮฺจะคุ้มครองผู้ศรัทธาต่ออัลลอหฺวาลียุลมุมินินอัลลอฮฺจะคุ้มครอง อัลลอฮ์พี่น้องวลอัลลอฮคุ้มครองอัลลอฮ์ส่งมาลายกิกามานะมันจะส่งยินมานะ <c oughs> มันจะส่งสายตอนมาคุ้มครองนะส่งใครมานะส่งมาลายกิกามาคุ้มครองผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์แล้วก็กลอานสามอีนะครับเรื่องที่สเรื่องเรื่องที่สามเรื่องที่ส ah ah ah ี Allah, ่วลาตาฮนูวลาวลาตาฮนูวลาตฮนูอัลลอ์บอกว่าคนมุมมินผู้ศรัทธา ไม่ต้องไปกังวลใจไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปน้อยใจเมื่อถูกรำแกอะไรบ้างอย่าไปน้อยใจเรื่องที่ห้านะครับเป็นเรองมั่นนลออัลลอฮ์เนี่ยให้ความโปรดปรานกับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ทุกคนทั่วโลกนะครับข้อที่ห้า แล้วด้วยอย่างอาจรอยมุมินความดีที่มุมินทํามีรางวัลรางวัลของเขานี่ถูกทําลายไหมไม่ถูกทําลายครับถูกเก็บถูกเก็บถูกเก็บเคริโอลิสกี้ถาวรไม่หมดอายุพี่น้องเรื่องที่หกนะครับนมาศเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องนมาศตรงเวลาในเวลานะครับอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปพวกใกล้จะหมดเวลาคงจะ นามาดอย่างเงี้ยอย่าทำไปน้องไอ้ที่ทมาก็ตอตะบ้าตัวต่ออัลลอ์ไปข้อที่เจ็ดนะครับอินนลอฮัตารอมินนลูมินเนินอัลลอฮ์ซื้อผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วขายบ่าขายเลยอัลลอ์ซื้อไปอัลลอฮ์ไม่ดีเลยไม่ดีอัลลอฮ์ไม่ซื้อคนกาเฟตไม่ซื้อผู้ไร้ศรัทธาแต่ซื้อขาซื้อผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดีไม่ดีเราได้เป็นของอัลลอ์อัลลอ์ซื้อไปแล้วไงจากนั้น เราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์อย่าทำอะไรฝืนคำสั่งอัลลอ์นะอินนัลลอฮ์ฮัสตาร์อมินันบุมีนีนอัมฟุซาหุมวาอัมวาลาหุมซื้อตัวด้วยแล้วซื้อทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณครอบครองอยู่เห็นยังนี่เล่าให้ฟังนะต่อมาข้อที่เก้าว่าราบอกตอนนอ่ละปุลกอลบิลมุมนอัลลอ์เนี่นะมัดหัวใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ มัดนั้นมัดให้รักอลัลลอฮฺเยอะๆนึกถึงสุนานะนบีรักสุนานะนบีรักนบีรักอิสลามรักอัลกุรอานนี่มัดหัวใจไปน้องครับถ้าเอาหัวใจของเราไปมัดโดยเงินอย่างเดียวนะมีจะทําลายครับมัดโดยชื่อเสียงตําแหน่งเสียหายครับเอาสุนานะนบีมามัดเอาคุรอานมามัดไออิมานมามัดอาตักวายะกินแบมัดหัวใจดีไม่ดีอัลลอฮฺอัลลอฮนี่ไงวิธีอยู่ในศาสนานี้ ต่อมาข้อที่ข้อที่เก้าอันนบีอยู่อัลลบินมุมินีคนที่เป็นมุมินเนี่ยนบีเป็นห่วงคนมุมินมากกว่าเราเป็นห่วงตัวเราเองอันนบีอยู่อัลลบินมุมินีนบอัลมุสอิมเนี่ยคุณอานผู้ชัดนะครับข้อสุดท้ายนะคือนะครับตอนตายก็ตวองตายดีอัลลอฮ์เราน่ยกลัวตอนตายอย่างเดียวนั่นแหละ ตายช่งการเทศนางามอาจารย์ผมมานาบุลสาสันตายวันศุกร์ตายคณะอ่านกุรานเวลา 11.15 อ็มงสานาทีคุจำหมดเลยอ่านน้ำแล้วใส่ชุดจะไปนมาดวันศุกร์ใส่เครื่องหอมแล้วอ่านกุรานมาอ่านอ่านสุร ย, ยาซีนอ่านได้มาเจ็ดแปดอายะเสียชีวิตเยอะที่มักกะคนนมากิร่านคนนมากรอเอฟไฮ ที่มาดีน่าอีกสองเมืองสมัสยิดเนี่ยก็นำมาก็อีกแมวันอาบุลละันจานบแล้วเรามีโอกาสอย่างงี้ไหมของเราไม่ต้องเชิญใครบอกให้เชิญอ่ะแจ้งอย่างเดียวครับแต่พวกเราไม่ไม่เชิญนบีอ่ะฉันต้องเชิญอ่ะฉันมีเงินอ่ะคนตามไม่เคยอามาซอนแรกไม่มีเท่าไหร่เรแต่ฉันมีพวกเยอะมีเงินน่ะแจกตามโซราามา ส่วนละยี่สิบคนยี่สบคนก็นมากันเต็มโเรา่ะทาไมทำทไมทำไมไม่แจ้งอย่างเดียวพูดอย่างนี้มันกระเทือนยังว่ากระเทือนพวกเราเองอ่ะดูมุสตาฟาพูดกันแน่กันหนอะไรแต่อะไรออเอาเอาแค่นี้พอพี่น้องอายะสุดท้ายจบนะซุมมอกรอนัลอัครินซุมมอรอนัอครินอายะสุดท้ายเนี่ย อักรองนาะแปลว่าเราได้จมเราได้จมพวกเขาอัลลอฮ์อักรองนาะมาถึงอัลลอฮ์ได้จมอัลอาคอรีนพวกอื่นๆในนาะอัลลอฮ์ให้จมเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาหรือสงสารหรืออัลลอฮ์ลงโทษอัลลอฮ์ลงโทษถามว่าจมไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วน่ะบาปของเขาหมดไหมไม่หมดครับ อลัลลอฮ์จะเก็บดองความผิดของเขาไว้แล้วก็ลงโทษในกูโบต่ออีกพี่น้องพอฟื้นขึ้นมาถูกอีกอย่าคิดว่าตายแล้วจบอักดีดาของผู้ไร้ศรัทธาบอกว่าตายแล้วจบแต่มุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์อ่านจากอูนอ่านตายแล้วไม่จบเห็นหมนีจบน้ำแล้วจบไหมไม่จบเห็นไห ดังนั้นเราอาัคดีได้เรื่องอย่างนี้เราต้องพูดไปพูดมาย้ำไปย้ำ ม, มาเพื่อให้อีหมานของเรามันเข้มข้นตลอดเวลาอินน้าูมิไงเบดีนัลมุมมินีอัลลอฮ์ชมนบีนวัวนะครับนวัวเนี่ยเป็นบ่าวของฉันอยู่ในปวงบ่าวของฉันคนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาต่อ อ, ลอลัลลอฮ์อัลลอฮ์ถ้าชมแบบนี้ราสบายใจนะ แล้วก็ส ม, มาอารรอก็น่าขอยและเราได้จมพวกเขาคนอื่นๆในน้ำหมดเลยทวนา้ำวนนั้นท่วมโลกหรือไม่อุลมาส่วนใหญ่บาน้ำท่วมโลกยกเว้นมกากับบดีนะยกเว้นมะกาเนี่ยไม่ท่วมนั้นท่วมหมดเลยตายหมดเลยนี่เป็ตัวบเวลาครับ سبحان ักราหูมะวะบิฮัมดิกระชุลลาอีลาอีลาอันตะอัสตักยุรกะวะตูบิลา อัลลอฮฺทรงประทาน